เพราก็มันก็มีกลุ่มศึกษาธรรมะที่เรียกว่านานๆเข้ามาเริ่มคอมมนกันถามว่ามีมไหมแม้กระทั่งศึกษาธรรมะเนี่ยนะทุกคนเนี่ยอยากออกจากทุกข์ด้วยกัน่ะแต่ว่ามันเบียดกันนะมันก็เลยกระทบกระเทือนกันบ้างแต่ว่าอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติจริงๆท่านก็ถามว่าทําไมจําเป็นมากในแวดวงที่เจริญศึกษาธรรมะเนี่ยต้องเจริญเมตตาให้มากเพราะจะเป็นที่มาของการดูหมิ่นกันดูแคลนกันแล้วก็ตําหนิกกัน ถ้าตาหนิคนที่ไม่มีคุณธรรมนี่ก็โทษมันก็น้อยหน่อยถ้าตําหนิผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะในในแวดวงเดียวกันเนี่ยทุกคนก็มีศรัทธาเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเขามีฮิริโอตาปาเขาอายชั่วกลัวบาปถ้าเราไปตําหนิเขาไปด่าเขาไปว่าร้ายเขาถามว่าเราจะได้บาปสักปานใดเนี่ยนะผันก็จะได้บาปอย่างมากผันการเจริญเมตตาให้กับผู้ที่โดยเฉพาะคนที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยควรเจริญเอาไว้ให้มาก เขาจะมีส่วนเลวบ้างก็ไม่ใช่ภาระอะไรที่เราจะต้องไปรับแทนเขาที่ไหนเขาจะมีความไม่ดีก็ส่วนตัวของเขาเราก็ไม่ได้ไปทุกข์ไปร้อนอะไรกับเขาเรามีหน้าที่จะริคิดคิดให้เป็นบุญกับตัวเองอนะคิดยังไงที่จะเป็นบุญไม่อย่างนั้นนะถ้าเราเริ่มเพ่งโทษนะไอ้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ใช้ไม่ได้ทําไมรองเท้า ว, วางตรงนี้ทําไมอันนั้นวางตรงนั้นไอน้นนทนก็ใช้ไม่ได้อันนี้มันนั่งปาดหน้าคนอื่นไม่นานในที่สุดนะมิจฉาวาจาจะตามมา มิจฉากรรมมันตะก็จะตามมาเนี่ยนะนะเพราะว่ามิจฉาสังฆปามันเกิดบ่อยมันก็พยายามที่จะเจริญแล้วบางแห่งนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พอศึกษาไปก็เริ่มคอม็มนกันมองหน้ากันไม่ติดเนะนะตอนแรกก็นั่งเป็นเพื่อนกันดีๆนี่แหละตอนหลังเนี่อยู่คละมุมห้องเลยนะตอนหลังแล้วอีกคนก็ขาดไปนะก็ทะเลาะกันขาดเมตตาต่อกันซึ่งเขามีโทษมากแล้วก็ว่าร้ายกัน นี่ก็ถ้าหากว่าโทสะกับบุคคลใดส่อเสียดก็จักตามมาแต่ถ้าพูดให้คนมีศีลแตกกันด้วยนี่ก็มีโทษมากเลยนะพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารังเกียจกับอีกฝ่ายหนึ่งให้เขาเลิกคบกันเลิกคลุกคลีกันเป็นต้นเนี่ยก็มีโทษมากอย่างในพระพระกุณฑานะเีระใช่ไหมที่ไปทําให้พระภิสุสองรูปเนี่ยแตกแยกกันเนี่ยท่า น, นโทษอนนั้นเนี่ยทําให้ท่านเนี่ยตกไปอบายอยู่นาน ในพระสูตรบางสูตรเนี่ยที่ที่กล่าวถึงในพระกัสสปะโคดใช่ไหมพระกัสสปะโคดที่ที่เป็นคนชอบด่าพระพิกสุด้วยกันเขาเป็นเจ้าว่าดเจ้าวา่าแล้วก็พระพิสุใดในจรไปจรมาทั้งก็ ด, ามมาก ด, นะด่ามากนะชอบด่าชอบตําหนิคนอื่นแล้วพ่อพงค์ก็กล่าวถึงโทษโทษของการตําหนิการว่าของผู้ที่มีมีศีลทั้งหลายซึ่งมีโทษจริงๆบางแห่งก็กล่าวถึงว่า ดา่านักบวชอื่นที่ได้สมาบัติแปดยังไม่ได้โทษเท่ากับดาผู้ที่เป็นพระโสดาบันทีนี้บรรดาผู้ที่ศึกษาพระธรรมเรารู้ไม่ได้หรอกใครเป็นใครเนี่ยนะซึ่งอย่าลืมว่าไม่มีใครอวดตัวอยู่แล้วละ่ะเนี่ยนะเขาก็ปกปิดคุณที่มีอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขามีบุญมาขนาดไหนเขามีสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันตะเป็นต้นขนาดไหนเขาปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมตามใดเราก็ไม่รู้จิตของเขา ไม่รู้ความประพฤติดีของเขาไม่รู้คุณธรรมของเขาถ้าเราไปไปไปประทุสร้ายเขาทางใจหรือประทุสร้ายทางวาจาหรือประทุสร้ายทางใจเนี่ยนะอันนั้นจะเป็นไปเพื่อทุกโทษพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าผู้ที่คอยตามเพ่งโทษผู้อื่นเขาจะห่างไกลจากธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสะวะคือห่างพระนิพพานเห็นโดยอารทีนวะกับตามเพ่งโทษนี่เหมือนกันม ไม่เหมือนกันตามเห็นขันห้า ด, ด้วยความเป็นโทษเนี่ยนะอาทีนะวะกับตามเห็นความเลวของคนอื่นเนี่ยต่างกันอนนะครับแต่ก็มันก็จริงอ่านะจริงในความคิดของเราเนะียมันน่าโกรธมันน่าตําหนิมันน่าด่ามันน่าว่าแต่ถามว่า น, นั่นเนี่เสียหายมากเราได้บาปอย่างมากเลยนะเพราะวัตถุที่เราคิดปทุสร้ายเนี่ยเป็นผู้มีคุณแตยิ่งมีคุณเท่าไหร่เราก็เราก็ขาดทุนเท่านั้นเลย น, นะ กำไรบุญของเรานี่หดไปมากเลยแหละเชื่อนั้นก็พยายามที่จะมีเมตตาต่อการหวังดีต่อการพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความเคารพโดยเฉพาะสารนารานิยธรรมเนี่ยควรประพฤติเป็นอย่างยิ่งก็ยยอยู่ที่การฝึกคิดนะนะก็อย่างน้อยที่สุดนะนะก็มาเช่นมาเข้าห้องก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะศึกษาธรรมะด้วยความรู้ความเข้าใจนะกลับไปบ้านก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเจริญกุศลต่อนะก็คิดอย่างนี้หน่อยก็เราก็ มีเมตตาต่อเขามากแล้วเนี่ยนะมีเมตตาแล้วก็ถ้าหน้ากรุณานีถ้าคิดแบบหน้ากรุณาบอกทุกคนหาทางออกจากวัฏจักกันหมดเลยแต่ละคนเนี่ยเขามีทุกข์กันนะถ้าเขาเขามีทุกข์เขามีทุกข์อะไรกันบ้างเขามีชาติที่ทุกข์ชราทุกข์พยาที่ทุกข์มรณะทุกข์โศกกะปริเทวทุกข์กทมานัตและอุปายากทุกคนเนี่ยตั้งอยู่ในความทุกข์เขามาศึกษาพระธรรมก็เพื่อออกจากจากทุกข์เนี่ยนะเขาแสวงหาทางออกจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า มักมีองค์8ดเป็นทางออกจากทุกเขามาศึกษาธรรมะกันเพื่อออกจากวัตทุกทั้งหลายเพราะทุกคนก็ไม่รักทุกข์อยู่แล้วทุกคนเกลียดทุกข์นะทุกคนต้องการความสุขเราก็เหมือนกันที่เรามาศึกษาพระธรรมก็เราต้องการพ้นจากความทุกข์เหล่านี้แหละขอให้ทุกคนพ้นทุกข์นะขอให้ทุกคนพ้นทุกข์ขอให้เราพ้นทุกข์ให้เขาพ้นทุกข์หนไหนที่ลักษณะนี้ก็เป็นอะไรกรุณาเนี่ยนะกรุณาเราด้วยกรุณาเขาด้วยเขาก็น่าเห็นใจเราก็น่าเห็นใจเนี่ยไห ผู้การก็มีกรุณาคนอื่นวันที่เรียนธรรมะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> กรุณากันบ้างนะก็คืออย่างว่านะแต่ละคนก็น่าเห็นใจซึ่งคือคือยังชอบธรรมะในบางสูตรนะท่านใจํามัดดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราคือเราปวดหัวเขาก็ปวดอะ่ะเราปวดหัวเป็นเราก็ปวดเป็นเราทุกข์เป็นเขาก็ทุกข์เป็นเราป่วยเป็นเขาก็ป่วยเป็นอ่ะนะแบบคนไทยเขาชอบรังว่า สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะก็คือสรุปว่าเขาทุกข์เหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนมันมีความลำบากทุกคนมีความทุกข์กายมีความทุกข์ใจต้องที่มาศึกษาพระธรรมก็เชื่อว่าพระธรรมเนี่ยทำเป็นที่นําออกจากกองทุกข์นั้นขอให้ทุกคนพ้นทุกข์นะสัพพทุกขาประมุนจันตุเนี่ยนะก็ให้ทุกคนเนี่ยพ้นจากทุกข์กันนะอันนี้เป็นการเจริญกรุณาเนีนะเจริญกรุณาวังดีต่อกัน ถ้าเป็นมุทิตาก็โอ้ดีด้วยนะมุทนาด้วยนะที่คุณได้กําลังศึกษาพระธรรมปฏิบัติตามเพื่อความพ้นทุกข์นะก็ร่วมอนุโมทนามุทิตากับเขาเพราะฉะนั้นอนุโมทนาก็คือบุญประเภทมุทิตานั่นเองนะฝึกบันเทิงร่วมกับความดีที่เขามีอยู่เนะี่ยก็ดีใจด้วยนะมุทิตาด้วยนะอย่างเงี้ยนะอย่างที่คุณรายบอกเห็นใครท่องเข้สู่ได้ก็ขอมุทิตากับเขาเลยใช่ไหมก็ดีใจไปกับเขาอันนะั้นก็เป็นการเจริญ มุทิตาเนี่ยนะก็ดีแล้วอนุมโมทนาด้วยนะเก่งนะดีนะไปจําได้นั่นนะนะ่ะเป็นทางแห่งความสุขก็ดีใจไปกับเขาเลยอนั้นก็เป็นมุทิตาแต่ถ้าเราไม่เจริญอย่างนี้นะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเมตตาคือพยาบาทสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกรุณาคือมีเหงืสาตรงกันข้ามกับมุทิตาคือริษยาเราได้บาปไปบาปเนี่ยะบาปพวกนี้มันไม่เคยเก็บอยู่ในใจนะมันพูดด้วยเป็นมจีกรรมเนี่ย แปลงวาจาออกมาอีกเป็นว จ, จีกรรมพฤติกรรมแสดงออกก็เป็นกายกรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้นะบางอย่างให้ผลชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นทําไมไม่เลือกเจริญที่ที่พระพุทธเจ้าสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คือพรหมวิหารเป็นต้นเนี่ยนะส่วนอุเบกขาเนี่ยก็เมื่อเจริญพรหมวิหารอย่างนี้ดีก็ต้องไม่ลืมมานุสิการว่าเขามาด้วยบุญของเขานะเขาก็จับไปตามบุญของเขา เข้ามาตามบาปของเขาเขาก็จะไปด้วยบาปของเขาเข้ามาเพราะบุญเพราะบาปของเขาทุกคนมามาด้วยบุญของตนมาด้วยบาปของตนไปด้วยบุญของตนแล้วก็ไปด้วยบาปของตนทุกคนเขาเป็นของเขาจริงๆนะซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะไปช่วยอะไรเขาได้จนเกินไปเพราะต่างคนก็ต่างมาด้วยกรรมเป็นเป็นของของตนจริงๆอย่างศึกษาพระธรรมเราจะไปให้เข้าใจได้เท่ากันได้ที่ไหนเพราะว่าชว่อะไรนะ พวังก็ไม่เท่ากันทีนะมิท่แท ก, ก็ไม่มากเท่ากันอย่างเงี้ยนะตั้งใจเป็นต้นก็ต่างกันอย่างเงี้ยมันจะไปได้เท่ากันยังไงก็ทุกคนก็ตามตามสมควรที่เรียกว่าเป็นของตนของตนไปอนนการน้อมไปเจริญแบบนี้บ่อยๆก็เป็นเป็นอะไรเป็นอุเบกข า, าเนี่ยนะท่านอุเบกขาเนี่ยแปลเป็นไทยไม่ได้แปลว่าไม่สนใจนะไม่ได้แปลว่าเลิกสนใจอันนั้นไม่เรียกอุเบกขา แต่คำว่าอุเบกขาหมายว่ารอบรับรู้ปัญหาทั้งหมดแล้ววางใจนะว่าเขาจะไปตามสมควรของเขาอ่ะนะหมายเช่นอย่างอย่างยกตัวอย่างตาเจรณูเบกขาเขามาเรียนธรรมะเขาก็จะได้ตามขีดความสามารถของเขาเขาจะไปใช้ตามกำลังสติปัญญาของเขาเพราะทุกคนก็เป็นของตนของตนเราไม่สามารถที่เราเราจะไปช่วยอะไรจนเกินไปเราก็ช่วยเขาได้ในขอบเขต ท, ที่เราช่วยได้ นะซึ่งอุเบกขาเนี่ยพระองค์สอนไว้เป็นอันดับสุดท้ายใช่ไหมอุเบกขาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อต้องการกําจัดราคาใครที่ไม่เจริญอุเบกขาเนี่ยมันผูกพันกันมากเพนะราะเพราะอุเบกขาพรหมิหารเนี่ยตรงๆเข้ามุ่งกําจัดราคาเพราะว่าอุเบกขาพรหมิหารจะไม่เป็นไปเพื่อความผูกพันจะไม่เป็นไปเพื่อความผูกพันถ้าเมตาก็ผูกพันใช่ไหมกรุณาก็ ผูก พ, พันมุทิตาก็ผูกพันนั้นเพื่อกําจัดความผูกพันนั้นก็เจริญอุเบกขาเนี่ยนะนะก็ไม่ผูกพันแม้กระทั่งในบุญที่ได้ทําไปแล้วก็ถือว่าบุญก็จะให้ผลเป็นสุขนะเหมือนกับว่าถ้าเจริญอุเบกขาเหมือนอย่างว่านะเราไปเลี้ยงพระก็ตอนตอนเจริญตอนเลี้ยงพระก็เป็นเมตตาใช่ไหมเอาทุกรูปนี่มนฉันให้อิ่มนะรับพอแก่ความต้องการนะอันนี้ก็เป็นอะไรเมตตาเมตตา เสร็จ แ, แล้วพอท่านฉันเสร็จให้พรเสร็จเออท่านก็บําเพ็ณสมณธรรมนา้าโยมก็จะไปทํากิจของโยมอันนี้ลักษณะของอุเบกขาที่เรียกว่าต่างคนก็ต่างไปทํากิจของตนของตนไปอันนั้นก็แต่ละคนก็มีภาระมีหน้าที่มีกิจเป็นของตนของตนอยู่แล้วก็การเจริญอย่างนี้แหละเป็นการเจริญอุเบกขาเนี่ยนะก็ถ้าไม่คิดอย่างนี้เนี่ยนะก็เป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็อย่างที่กล่าวว่า ให้ผลเป็นทุกข์นะให้อย่างน้อยที่สุดนะคนที่เจริญอย่างนี้ได้ต้องรู้จักการุณาต่อตัวเองถ้าไม่เจริญการุณาต่อตัวเองก็พยายามที่จะปล่อยให้จิตเป็นบาปนะจะทำบาปทำอากุสลให้แกตัวเองไปถึงไหนจะปล่อยให้จิตเป็นอาุศนไปถึงไหนนาเนะก็จะทั้งสร้างเหตุแห่งความทุกข์ไปถึงไหนเนี่ยนะก็อันนี้จะต้องเจริญการุณาต่อตัวเองค่อนข้างบ่อยหน่อยนะให้เห็นว่าอาุศลมีโทษแล้วก็น้อมไปเพื่อกรุณาตน